บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องของทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ซึ่งที่ กันสรุปรวมเป็นอริยสัจทั้งสี่ไปการข้อใหญ่ใจความจึงอยู่ที่เรื่องของความทุกข์ซึ่งครอบงำชีวิตของบุคคลและสิ่งทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยบริหารที่แท้จริงเมื่อมองจากเบื้องสูงคือพระอริยเจ้าท่านมองท่านมองเห็นว่าโลกนี้ก็คือเรื่องของความทุกข์นั่นเองอย่างที่ท่าน วชราเทรีภิกษุณีได้กล่าวไว้ว่าที่จริงแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรเป็นเพียงทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเนื่องจากพระริเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมองเห็นโลกในลักษณะนี้ ท่านเหล่านั้นจึงประกอบด้วยกรุณาต่อสัตว์โลกต้องการที่จะช่วยเหลือหรือขนสัตว์เหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขาประสบอยู่ในฐานะ น, นั้นๆปริยายแห่งธรรมะจึงเป็นหลักการแสดงเพื่อขจัดความทุกข์เสริมสร้างความสุขในชั้นต่างๆในชั้นของการปฏิบัติระดับของกรรมฐานนั้นก็มุ่งที่จะขจัดความทุกข์ ในชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปแต่เมื่อบุคคลขจัดความทุกข์ในชั้นใดก็ตามได้ในชั้นอื่นก็ชื่อว่าได้บรรเทาตามไปด้วยยิ่งขจัดความทุกข์ชั้นละเอียดได้ความทุกข์ชั้นหยาบก็ยิ่งบรรเทามากยิ่งขึ้นในเชิงของการปฏิบัติจึงเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอปริยายของความทุกข์ที่ท่านสอนให้กําหนด พินิพพิจารณาก็จัแนกไว้โดยนัยะที่วิจิตพิสด า, านหลายกลุ่มหลายหมวดด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเราสามารถจะเข้าใจโดยปริยายไรคือนัยะอะไรก็ตามทั้งก็แสดงชี้แจงไปโดยนัยะนั้นนั้นแต่เมื่อถึงขั้นของการปฏิบัติแล้วเมื่อสงบความทุกข์ในจุดหนึ่งได้ความทุกข์ในจุดอื่นก็สงบระงับตามไป ในยาหนึ่งท่านได้รวบรวมแสดงไว้ในมีดินตะปัญหาในจำแนกทุกขที่ติดมาแต่ ก, กําเนิดซึ่งวดยที่จริงก็อยู่ในกลุ่มของสภาวะทุกข์คือทุกตามสภาพของมันก็นเราเกิดมาแล้วความทุกนั้นก็ติดตัวมาและประเจนประจนกับความทุกขเหล่านั้นตลอดไปโดยมากตามปกติแล้วก็อยู่ในขั้นของการบรรเทาไม่ค่อยมีขั้นของการละทุกหรือดับทุกไปได้ ก็เกี่ยวข้องกับชีวิ ต, ตท่านจำแนกแสดงไว้เป็นคู่คู่ว่า1จหนึ่งเย็นสองร้อนสามหิวสี่กระหายหาถทายอุจจาระหถทายปัสสาวะเจดง่วงนอน8ปดแก่เกเจ็บแล้วก็สบตายคือเป็นสิ่งที่เกิดมาติดต่อชีวิตของบุคคลมาตลอด การที่ท่านแสดงเป็นคู่ในลักษณะนี้พึงสังเกตว่าบุคคลจับพิจารณาเพยียงคู่ใดคู่หนึ่งเท่านั้นเองและจะเข้าใจในคู่อื่นได้หมดจะสามารถที่จะลดละบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตนได้โดยบายอย่างเดียวกันข้อ น, นี้พึงสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าเริ่มมองในสมัยเป็นพระพิสัตว์นนก็ทรงเริ่มที่คนแก่คนเจ็บคนตาย ซึ่งก็เป็นกลุ่มของความทุกข์สามประเภทหลังแต่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสภาวะที่แท้จริงของโลกโรงก็มองในแง่ของตัวแก้กันซึ่งก็มีอยู่แล้ ว, ลวในโลกนี้โดยก็จับที่ประเด็นคู่แรกคือมีเย็นก็มีร้อนแก้มีร้อนก็มีเย็นแก่มีมืดก็มีสว่างแก่มี ทุกก็มีสุขแก่มีกลางคืนก็มีกลางวันแก้เป็นต้นนี่ก็แสดงว่าสิ่งที่พระองค์นํามาศึกษาและเรียนก็คือเรียนจากสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาดันเองในตอนที่ยังทรงพระเยาว์อยู่พระมองเห็นด้านเดียวเพราะมีการบํารุงบําเรด้วยประการต่างๆเห็นโลกในด้านเดียวคือด้านที่เป็นความสุขความสนุกความกำหนัดเพลิดเพลินจินดีโดยเครื่องปรุงแต่งต่างๆ ทำให้ไม่เห็นโลกได้อย่างชัดเจนในสุดเมื่อขอเสด็จไปเที่ยวเยี่ยมประชาชนไปดูบ้านดูกเมืองต่างๆโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก็พบเห็นชีวิตทั้งสองด้านเก็นว่าคนเราก็มีสุขมีทุกข์ปนกรากันไปเรื่อยๆในทะนั้นก็มองเห็นเฉพาะสุขทุกข์คือไม่ได้มองเห็นความสุขชั้นโลกิยะเป็นความทุกข์ตามไปด้วยอย่างที่ทรงเห็นในตอนหลัง ตอนแรกก็เป็นเห็นระดับปัญญาคือความคิดนึกธรรมดาธรรมดาเห็นในตอนหลังนั้นเป็นความเห็นด้วยประยานซึ่งยัางลึกลงไปจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วความสุขที่สัมผัสกันอยู่นั้นเป็นเพียงความทุกข์ลดลงไปเท่านั้นเองเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขและพวกกลุ่มเหล่านี้จึงทรงสอนในรูปของสิ่งที่ควรกำหนดรู้สภาพความจริงของมันว่ามันเป็นยางไง ก็จะเห็นได้ว่าในความเย็นนั้นที่จริงก็มีความร้อนแฝงอยู่เมื่อปริมาณของความเย็นสูงขึ้นความร้อนก็แสดงตัวอะไรออกมาไม่ได้เราก็รู้สึกเป็นเย็นแต่พอความเย็นลดลงความร้อนก็เริ่มปรากฏตัวมากขึ้นคนก็เริ่มรู้สึกว่าร้อนดังนั้นระหว่างความเย็นกับความร้อนจึงอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วก็แฝงเร้นกันอยู่ในตัวของมันนั่นเอง ในท่ามกลางความร้อนก็มีความเย็นแฝงอยู่ในตัวความเย็นก็มีความร้อนแฝงอยู่าจากการมองในจุดนี้ทําให้บุคคลได้หลับในการประพฤติปฏิบัติหลายขั้นตอนด้วยกันอาจจะเริ่มมาจากขั้นของการดํารงชีวิตว่าในชีวิตของคนเรานั้นไม่ควรจะสัมผัส ด, ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นสาวมณฑชนอยู่เพราะจะมองโลกในแง่เดียวและในที่สุดก็จะมีปัญหาด้วยกันทั้งสองฝ่าย อถ้ามองในแง่สุข ด, ด้านเดียวคนเราก็จะกำหนัดเพลิดเพลิน อ, อยู่ในสิ่งเหล่านั้นลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นปล่อยพราผ่านการเวลาไปด้วยเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นชีวิตในแนวที่ส่งข้ามไว้สังสงใช้ในธรรมจกักรวัตนาสูตรว่าการมาสุขานิการนุโยคนั่นเองคือขอให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลิพพนยินดีสนุกสนานไป แทนที่จะเสริมสร้างสาระแก่นสารอะไรแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมสร้างเพราะมองในแง่เดียวอีกด้านหนึ่งคือมองในสัมผัสเฉพาะด้านของความทุกข์เรียนด้านไม่ดีอย่างเดียวก็จะมองโลกในแง่ร้าย เ, าเกิดชิงชังโลกเกิดชิงชังบุคคลชิงชังสิ่งต่างๆแต่ในสุดก็ทําตัวได้มีปัญหาเช่นเดียวกันในชั้นต่อไปก็คือการฝึกปรืออบรมบุคคล จะมีลูกมีหลานก็จะต้องให้เด็กเห็นทั้งสองด้านให้ด้านทั้งความทุกข์ความสุขคือทั้งด้านร้อนและก็ด้านเย็นให้เห็นทั้งด้านเย็นด้านร้อนเพื่อให้สามารถอยู่ได้เพราะเราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าอยู่เฉพาะเย็นอย่างเดียวไปเจอร้อนก็ทนไม่ได้ไปอยู่เฉพาะด้านร้อนอย่างเดียวพอเจอเย็นข้าวก็ทนไม่ได้หรือเปิดเพิยในความเย็นเหล่านั้นก็ต้องให้มองทั้งสองด้านดังนั้นในหลักการบริหารบุคคล ของพระพุทธเจ้าในชั้นของพระวินัยจึงมีหลักอยู่สองหลักที่เราเรียกว่านิกะหะปะกะหะคือการตำหนิกับการยกย่องการยกย่องก็คือเรื่องของความเย็นนั่นเองการตำหนิก็คือเรื่องของความร้อนซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาที่บุคคลจะต้องใช้ไปทั้งสองอย่างในกติคนไทยเราเราก็มีลูกยอกกอไผ่ก็คือเย็นกับร้อนเช่นเดียวกันคือให้ได้ทั้งสองฝ่ายชีย้ได้ทั้งสวดดีและก็สวดไม่ดี เมื่อเขาทำส่วนดีขึ้นก็ยกย่องชมเชยเขาแล้วก็ทําส่วนที่ไม่ดีก็ต้องตําหนิตีเตียนเคยเกิดความสํานึกเกิดความหลับจำเกิดการสํารวมระวังที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้ดํารงชีวิตอยู่ในทางที่เหมาะสมที่ท่าเรียกว่าตั้งตนไว้ในทางที่ชอบประการต่อไปในเรื่องของเวทนาคือการสวยอารมณ์ บุคคลนาจะมองจากคู่นี้คู่เดียวหรืออาจจะคู่ไหนก็ได้หรือ ค, คู่หิวกระหายก็ได้หรือคู่อุจจาจรปัสสาวะก็ได้คือจะมองเห็นภาพอย่างเดียวกันว่าแท้จริงแล้วเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอากาศหนาวอย่างกรมุตุนิยมวิทยาก็บอกอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมจึงหนาวทำไมจึงร้อนทาไมจึงร้อนจัดเป็นต้นเาก็บอกเหตุปัจจัยให้ให้ทราบว่า ที่มันเป็นเช่นนี้เพราะมีองค์ประกอบอย่างนี้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีองค์ประกอบอย่างนั้นซึ่งก็หมายความว่าความเยน็นความร้อนก็ดีความหิวความกระหายก็ดีหรือว่ า, าะปวดตุยราบปัสสาวะก็ดีนั้นด้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุปัจจัยถ้าปัจจัยในเป็นเหตุให้เย็นแก่ก็ต้องเย็นก็จะเป็นร้อนไปไม่ได้เหตุปัจจัยเป็นร้อนก็ต้องมีร้อนที่ในเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่มีใครจ ะ, จะควบคุมบังคับบัญชาแก่ได้ เพาเป็นเหตุปัจจัยตามธรรมชาติธรรมดาพอเจอกับปัญหาเหล่านี้เข้าก็ต้องยอมรับในแง่ของเหตุปัจจัยแล้วก็มองกลับมาในความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลทำแนวของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตรวจสอบดูเวทนาคือการสวยอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนในแต่ละขณะซึ่งเวลาทรงจําแนกแสดงนั้นก็จําแนกแสดงไว้หลายหลายวิธี วิจิตรพิสดารก็มีสแสดงย่อยๆกก็มีเช่นทรงสแสดงเฉพาะเวทนาที่ปรากฏเพรบางครั้งมเมื่อเกิดสุขเวทนาขึ้นนั้นก็ไม่ทุกเวลาทุกข์ก็ไม่สุขเวลาเฉยๆความสุขความทุกข์ก็ไม่ปรากฏเด่นชัดอันสแสดงเห็นว่าเวทนาแก่ก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและปรากฏได้เฉพาะทีละอย่างเท่านั้นเองแต่ในขณะที่อย่างหนึ่งปรากฏเช่นสุขเวทนาปรากฏนั้น ความทุกข์ก็แฝงเร้นอยู่ในความสุขนั่นเองพร้อมที่จะแสดงตัวออกมาเสียดแทงเบียดเบียนบุคคลให้เกิดความเร่าร้อนแต่ในขณะที่เกิดทุกข์นั้นความสุขแกก็แฝงอยู่เขาจะอาศัยเหตุปัจจัยที่จะเพิ่มพูนตัวเองขึ้นมาเมื่อแกได้เหตุปัจจัยแกก็แสดงความสุขออกมาอย่างที่พระุทธเจ้าทรงแสดงให้ทีฆะนัก ข, ขอกะอกิเวสณาพิจารณา ยามใดไม่มียามใดสุขเวทนาปรากฏจู่ยามนั้นก็ไม่มีทุกยามใดมีทุกยามนั้นก็ไม่มีสุขเดี๋ยวให้มองเฉพาะจุดนั้นไปก่อนโดยเฉพาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆันและในที่สุดบุคคลก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเองคล้ายๆกับอากาศหนาวร้อนเย็นร้อนหรือว่าหิวกระหายอาการหิวกระหายที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล ที่จรงแกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเวลาเกิดหิวขึ้นมาตาบุคคลได้รับประทานก็จัดความหิวความหิวนั้นก็บันเทาไปาทุกครั้งที่บุคคลรับประทานเข้าไปอาการของควาหิวก็ลดลงไปโดยลำดับเดื่องดับนี่เราจะเห็นว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยใหม่เพื่อลดหลักความหิวลงไปแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งคืออิ่ แล้วก็เริ่มเปลี่ยนในแนวต่ําลงคือเริ่มหิวลงไปอีกตามลำดำับนี่คือลักษณะของธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่ในความเย็นความร้อนที่มีอยู่ในความหิวความกระหายที่มีอยู่ในการปตรวจจาระปัสสาวะและที่มีอยู่ในความง่วงนอนตลอดถึงความแก่ความเจ็บความตายือสรุปว่ามองในจุดใดก็ได้แล้วจะเกิดความเข้าใจว่าเนี่ย แท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของปกติธรรมดาแต่นั้นเองแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่คนไปต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้นั้นที่จริงการเกิดขึ้นจากใจไปกำหนดหมายไปตั้งความหวังให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นความทุกข์ก็บังเกิดขึ้น แต่ถ้าบุคคลยอมรับในแง่ของปกติธรรมดาเราเป็นปรากฏการณ์ของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแกก็เป็นก็แกอย่างนั้นเองเมื่อถึงคราวทุกข์ก็ไม่ไปอดใจไปบวกให้ทุกข์มากยิ่งขึ้นลักษณะใจบวกนั้นเพึงสังเกตว่ามันเหมือนกันหนาวก็ร้อนได้ยินกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าอากาศจะหนาว ถ้าบุคคลลองพิจารณาถึงใจจะพบว่าใจนั้นเตรียมหนาวล่วงหน้าเอาไว้ทั้งๆที่ตอนนั้นก็ยังไม่หนาวแล้วก็หาเสื้อแสงอะไรอะไรมาเพื่อบำบัดความหนาวพอหนาวมาก็ใจก็บวกทุกวันติดตามข่าวกรุมตุตุนิยมวิทยาทุกวันอากาศหนาวขึ้นหนาวขึ้นอย่างนั้นและในที่สุดเราก็หนาวล่วงหน้าเอาไว้ความหนาวก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของใจที่ปรุงแต่ใจเราเฉย ไม่ได้รับรู้อะไรมากมายนักไม่ไปปรุงคิดคิดปรุงอะไรมากเกินไปหนาวมันก็คือหนาวธรรมดาสามารถที่จะทนทานไปได้โดยระยะเวลาที่นานพอสมควรโดยไม่ต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่าร่างกายจะค่อยๆปรับตัวเองให้อยู่ได้เมื่ออากาศหนาวขึ้นมาพยายามร้อนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าไม่ไปร้อนล่วงหน้าเอาไว้ ใจก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวลร้อนี้บพงสังเกตว่าลักษณะใจไปเอื้อมรับอารมณ์ไมว่าในเรื่องหนาวเรื่องเย็นเรื่องร้อนหรือว่าเรื่องเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายเป็นลักษณะของการเอื้อมไปคว้าอารมณ์ที่จริงมันก็ยังไม่เกิดแต่บุคคลไปปล่อยให้จิตปรุงเกิดสะก่อนนำอารมณ์เหล่านั้นมาปรุงมาคิดแล้วก็ เป็นทุกข์วิตกกังวลไปตามอารมณ์ที่ตนปรุงคิดขึ้นมาก่อนเช่นในกรณีของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปรุงไปในเรื่องของความป่วยแล้วก็ปรุงเลยหายไปในเรื่องของความตายขวิตกกังวลไปด้วยประการต่างๆตกลงว่าคนป่วยนั้นก็เป็นทุกข์เฉพาะป่วยแต่วิญาติมิตรบางทีก็เป็นทุกข์เกี่ยวกับการป่วยแล้วก็เกี่ยวกับการตายทําให้เพิ่มความทุกข์ขึ้น เป็นทวีคูณโดยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไรได้แต่ถ้ามองเฉพาะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเวลาเนี่ยขณะเนี่ยสิ่งอะไรเกิดขึ้นเกิดมาจากเหตุอะไรมีอะไรเป็นปัจจัยก็พยายามหาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยแ่วนั้นลดละบรรทอนลงไปตามลาดับในกรณีของการแก้ไขได้มันก็มีแก้ไขได้แต่บางครั้งแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าแก้ไขไม่ได้ เช่นว่าหนาวเราแก้ไขได้ถึงจุดหนึ่งแต่บางจุดเราก็แก้ไขไม่ได้เรากสุดปัญญาความสามารถก็ต้องอาศัยธรรมะคือความอดทนในสิ่งเหล่านั้นเอาเพราะว่าในขณะที่หนาวจัดนั้นเมื่อถึงการเวลาหนึ่งแก่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจัจจัยของแกเองเพราอมาถึงหิวกระหายก็มีลักษณะอย่างนั้นบุคคลก็จะพบความจริงว่า น, นี่เป็นเรื่องธรรมะปกติธรรมดาความหิว เป็นเรื่องของความต้องการของร่างกายเมื่อร่างกายได้สิ่งที่ตนขาดแคลน mm. ก็จะบรรเทาความหิวไปได้แต่อาก็จริงแล้วเป็นการบรรเทาเท่าทนั้นไม่จะมาแก้ไขได้อย่างถาวรเมื่อมาอยู่กลุ่มเดียวกันกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นความแก่ความเจ็บความตายก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นคือบางอย่างมันก็บรรเทาได้ แต่ไม่ใช่ว่าบรรเทาได้อย่างแท้จริงบรนเทาได้ระยะหนึ่งเวลาหนึ่งแกก็บรรเทาให้แก่น้อยลงโดยใจโดยไม่เอาใจเข้าไปบวกมากเกินไปเช่นว่าบางคนก็หมดอะไรตายอยากไปเลยถือว่าเราแก่แล้วทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่เป็นการซ้าเติมตัวเองมากเกินไปคือปล่อยแก่ล่วงหน้ามากไปแทนที่จะให้แก่เรื่องคุณธรรมความดีเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความมาร่างกายเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปจริงแต่ก็พยายามที่จะเพิ่มส่วนที่เป็นสาระธรรมส่วนที่เป็นความดีงามซึ่งเปิดโอกาสกว้างสำหรับบุคคลทั้งหลายไม่าว่า จ, จะอยู่ในเพศใดก็ตามสามารถที่จะเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไวไัยใดก็ตามก็เพิ่มพูดขึ้นมาได้คนแก่บางคนจึงอาศัยความแก่ของตนให้เป็นประโยชน์เจ้าส่วนที่แก้ไขไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขมันแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้ เช่นว่าแก่ทานแก่ศีลแก่ความดีแก่ธรรมะขึ้นไปควาสามารถที่จะเพิ่มได้เพราะไม่ใช่แบกได้ใช้หามอะไรยิ่งเพิ่มพูนมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดเบามากขึ้นเท่านั้นครานี้เพิ่งสังเกตว่าธรรมะนั้นมีลักษณะเบาถ้าเราได้มีธรรมะขึ้นภายในใจใจก็จะเบาแม้กายจะแก่แต่ก็สามารถที่จะทรงกายไปได้เพราะเมื่อใจเบาแล้ว อาการหนักอึ้งในลักษณะต่างๆก็จะผ่อนคลายตามไปด้วยเมื่อบุคคลพยายามคิดหรือมองในจุดใดจุดหนึ่งก็ตามล้วนแล้วแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งนั้นพอมาถึงพวกอุจจาระประสาวะมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเจ้าท่านก็สอนให้เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานได้ทั้งหมดก็นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาบาลีท่านใช้คาว่าในพัฒนทุกคือทุกอยู่เนืองๆทุกเนืองนิด ทุกข์กัอยู่สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่จะต้องบรรเทาไปตามลาดับเพราะถ้าจะให้เป็นไปตามที่หวังจริงๆมก็หวังไม่ได้เจ่ไม่มีปัสสาวะเลยมันก็ไม่ได้หรือปัสสาวะไปเรื่มก็ไม่ได้อุจจาระ ก, ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในเชิงของการปฏิบัติบุคคลก็จะใช้ทุกจุดให้เป็นประโยชน์ในการกําหนดพินิษพิจารณาพอถึงชั้นหนึ่งเราก็มองไปในแง่ที่ว่า ไม่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในทั้งความเย็นความร้อนความหิวความกระหายปวุจุกจราบปวดปัสสาวะเป็นต้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแกทำให้อยู่ด้วยความไม่ประมาณสิ่งที่เป็นของเราจริงๆที่เราจะใช้ได้ประโยชน์จริงๆก็คือขณะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแกมาให้ใช้ก็พยายามใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ถ้าไม่ใช้แกก็ต้องผ่านพ้นไป ลักษณะของความเย็นก็ดีความร้อนก็ดีความหิวก็ดีความกระหายก็ดีเป็นธรรมชาติธรรมดาถ้ามองในแง่ของธรรมชาติธรรมดาปัญหาในขั้นบรรเทาก็บรรเทาในขั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่ไปตั้งความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมดาไม่ให้เป็นธรรมดาเพราะว่าศาสตร์ใดที่ชีวิตร่างกายขันธาตุของบุคคลยังมีอยู่ศาสตร์นั้นปัญหาเหล่านี้ก็ต้องมี และมีแม้แต่พระรีเจ้าทั้งหลายเพราะว่าติดมาตั้งแต่เกิดแล้วก็จากไปจนถึงตายไปเก็นจะหายไปเฉพาะเรื่องง่วงนอนคืออย่างน้อยก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของถีนมิทะแต่ว่าความต้องการทางร่างกายที่จะพักผ่อนนั้นก็ต้องมีเป็นปกติธรรมดาเพราะนั้นคือเรื่องของความต้องการของร่างกายแต่ลักษณะของถีนมิทะนั้นเปิดสังเกตว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นจากกาย บางอย่างเกิดขึ้นจากจิตคือมีปกติเขาเรียกว่าเป็นคนมักหลับเป็นคนชอบยินดีในความหลับไม่อิ่มในความหลับตกอยู่ในภายใต้อำนาจของความง่วงโดยปกติให้ความจิตใจของบุคคล น, นั้นเปลี่ยนไปด้วยไปเพิ่มความต้องการที่จะหลับที่จะง่วงนอนที่จะเคลิ้มหลับไปด้วยทำให้เกิดผลสองด้านคือด้านกายด้วยด้านจิตด้วย ถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้ก็จะมีลักษณะทับทวีขึ้นไปพอมาถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันทั้งหมดเลยคือมองในแง่ของความไม่เที่ยงและบุคคลจะตั้งความหวังอะไรน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าขนาดตัวของเราเองเราจะบังคับไม่ให้แกเปลี่ยนแปลงไม่ได้นับประสาอะไรกับคนนับประสาอะไรกับสิ่งของ นับภาษาอะไรกับสิ่งซึ่งอยู่ไกลตัวเราเราจะไปบังคับแกบได้ไปทุกเรื่องทุกราวความคิดที่จะขอให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้ในสัตว์ในบุคคลทั้งหลายก็จะเบาลงแต่บุคคลทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นปัญหาหนักในการดารงชีวิตของบุคคลเดือดร้อนเพราะลกูกเดือดร้อนเพราะทรัพย์เดือดร้อนเพราะสัตว์เลี้ยงเดือดร้อนเพราะญาติมิตรที่จิตไปกาหนดว่าเป็นของเรา ไปตั้งใจไปตั้งความหวังว่าขอให้ของเราเป็นอย่างนั้นของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้พอคนเราเป็นอื่นไปก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทางใจโดยไม่มองในแง่ของปกติธรรมดาให้ปรากฏเกิดขึ้นแต่ถ้าบุคคลพยายามหาความจริงมองในแง่ความจริงว่าเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้จักปล่อยวางทาใจอย่าให้มัวเมาประมาท บุคคลก็จะได้โอกาสหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นจากในกรณีของความหิวความกระหายก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลก็จะสามารถควบคุมใจของตนแม่รู้อานาจแก่ความหิวความกระหายเอาไว้เพราะอย่างไรเรียกว่าแก้ไขปัญหาเพราะว่าความหิวโดยเฉพาะความความกระหายบางอย่างมันมีลักษณะกระหายทางอารมณ์ด้วยไม่ใช่ว่ากระหายเฉพาะ พวกเครื่องดื่มอะไรเพียงอย่างเดียวกระหายน้ําเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงมันมีความกระหายอารมณ์คือกระหายใครดูใครเห็นใครตีมใครใครถูกต้องแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงจิตใจตามไปด้วยแต่ที่จะมีเฉพาะในส่วนของร่างกายส่วนความหิวนั้นแท้จริงบุคคลให้คุมคุมให้อยู่เฉพาะส่วนของร่างกายก็ได้คือเมื่อร่างกายก็ต้องการสิ่งนั้นต้องการน้ําก็ดื่มน้ําต้องการอาหารก็รับประทานอาหารเข้าไป ก็อาการความหิวปรากฏออกมาเสียดแทงสามารถบรรเทาได้โดวยวิธีใดก็บรรเทาลงไปอย่างนั้นแต่พอมาถึงเรื่องของความกระหายบางครั้งแก่ออกไปในอารมณ์คืออยากดูไปเฉยเยากฟังไปเฉยถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะควบคุมความกระหายไปบ้างในบางจุดในสุดก็จะสร้างปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนทำอนองเดียวกับความง่วงนอนดังกล่าวแล้วคือบางอย่างเป็นเรื่องของความต้องการทางร่างกาย แต่บางอย่างเป็นการเพิ่มขึ้นของจิตใจเพราะถีนามิท่านิวรันเป็นอาการของถีนมิท่เป็นอาการของนิวรันดังที่ทราบกันอยู่ก็คุมเอาไว้เฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องของร่างกายแต่เป็นความต้องการทางใจก็พยายามที่จะบำบัดเอาไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความง่วงสองชั้นเป็นความต้องการของกายด้วยต้องการของใจด้วยเป็นเรื่องของกายนั้นปกติธรรมดาเพราะว่าพระริเจ้าเอง ท่านก็ต้องพักผ่อนร่างกายก็ต้องหยุดได้มีการพักผ่อนบางครั้งท่านก็อาจจะอาศัยเรื่องของสมาธิที่เราเรียกว่าที่จะทำมาสุขกวิหารคือพยายามหาความสุขด้วยการเจริญสมาธิเราแสดงว่าเป็นความต้องการของร่างกายโดยตรงแต่ด้านจิตใจไม่มีปัญหาบุคคลก็สามารถที่จะใช้เวลาซึ่งมีอยู่ในขณะนั้นๆอาศัยความรู้เข็น สิ่งต่างๆในแง่ของความเป็นจริงแล้วไม่ไปเดือดร้อนก็นเรื่องเหล่านี้เกินไปเพราติดมาทุกๆคนไม่ติตไม่เดยติดมาจะเพราะเราความเย็นความร้อนก็เย็นด้วยกัน ร, ร้อนด้วยกันความหิวความกระหายก็มีลักษณะอย่างนั้นทุกคนทุกทุกคนต้องหิวทุกคนต้องกระหายแต่หิวมากกระหายมากหิวน้อยกระหายน้อยนั่นก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่สรุปว่าทั้งสิบประการนี้เป็นเรื่องที่ติดมาทุกคนเพราะฉนั้นเวลาเกิดขึ้นแก่เราก็ไม่ได้ไปคิดว่า ทำไมจึงต้องเป็นเราที่จริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นที่คนอื่นด้วยในขณะที่ญาติพี่น้องเราแก่หรือว่าตัวเราแก่ก็มีคนก็แก่กันทุกคนแก่กันคนละวันคนละวันเหมือนๆกันเวลาญาติพี่น้องเราเจ็บหรือว่าตัวเราเจ็บก็มีคนอื่นเขาเจ็บไม่ใช่เจ็บเฉพาะเราเวลาญาติพี่น้องเราตายสามีพันยาตายลูกตายก็ elly. ในขณะที่ญาติพี่น้องเราตายอยู่นั้นคนอื่นเาก็ตายกันมากมาย ไม่ต้องไปท่ำเติมตัวเองมาทำไม่จึงต้องเป็นเราทีจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เองชีวิตทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้บางครั้งบางคราวอาจจะไปเดือดร้อนว่าญาติของเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่น่าจะตายแต่ถ้าเรามองให้ดีเราจะพบว่าคนที่อ่อนหนุ่มสาวกั่นั้นก็ยังตายแล้วไม่มีใครที่เรียกว่าหนุ่มสาวที่สุดเลยยังยังอายุน้อยที่สุดที่ตายไป เพราะมีคนอายุน้อยมากกว่านั้นอยู่ด้วยกันกรณีพระผู้มีพระภาคยาวในทรงแสดงแก่พระอนุรุตและเทระให้ทราบว่าที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยบางทีพอถือปฏิสนธิปั๊บก็จุติปุ๊บคือตายทันทีปฏิสนธิเสร็จแล้วตายเลยมารดายังไม่รู้ว่าลูกมาเกิดในครานลูกตายแล้วแล้วก็ตายอยู่ในครานนั้นมากมายกว่าจะรอดออกมาได้สักคนหนึ่งเนี่ก็เป็นเรื่องยากแสนยาก เพราะเราก็จริงแล้วซื้อก็ไปถึงในคันก็มีคนตายอยู่ทุกข์ั้นแสดงว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปหมดเลยเมื่อมองในแง่เทียบเคียงมองให้กระจายออกไปจิตใจของบุคคลก็จะสามารถสงบได้แต่ที่เกิดปัญหาก็เพราะว่าเรามองในจุดเดียวมองในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะจะมองในจุดร้อนจุดเดียวมองในจุดทิ้จุดเดียวกระหายจุดเดียวและมองเฉพาะเกิดขึ้นแก่ตนเพียงจุดเดียว ถ้ามองกระจายได้แล้วความทุกข์ในด้านจิตใจต่างๆก็จะผ่อนคลายลดละบรรเทาลงไปตัวอย่งเดียวกับว่าบุคคลบางคนพอเงินเดือนไม่ขึ้นก็เป็นวิตกกังวลแต่ถ้าเรามองไปที่คนอื่นก็ไม่ขึ้นไม่ใช่ไม่ขึ้นจะเพราะเราที่จึงคนที่เงินเดือนไม่ขึ้นอนะมากกว่าคนที่ได้เงินเดือนขึ้นงทไปมองกระจายได้เช่นนี้ก็จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตในแง่ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็จะมีหลักเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวทางใจไม่สับสนวุ่นวายเดือดร้อนมากจนเกินไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป